วิธีระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสง์พึงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปอย่างนี้คือภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป พ, พึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสง์เฉวียงบาข้างหนึ่ง กราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษาทั้งหลายนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระงับอุกเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแม้ครั้งที่สอง ท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปพึงขอแม้ครั้งที่สามท่านผู้เจริญกระผมถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้ว กลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้กระผมจึงขอระ ง, งับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติจตุตธกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้ว กลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุคเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปถ้าสงพร้อมแล้วพึงระงับอุกเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ ถูกสงลงอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติ ช, ชอบหายเยอ่ยิงกลับตัวได้ขอระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสงระงับอุเขปนียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้แล้ว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 ภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้วกลับประพฤติชอบหายเยอ่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสงระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วย กับการระงับอุเขกษปณียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงครั้งที่สข้าพเจ้ากล่าวความนี้ว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ถูกสงลงอุเบกษาปณียกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแล้ว กลับประพฤติชอบหายเย่อหยิ่งกลับตัวได้ขอระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสงระงับอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้แล้วท่านรูปใดเห็นด้วยกับการระงับอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปแก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วย ท่านรูปนั้นพึงทักท้วงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปสงระงับแล้วแก่ภิกษุนี้สงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้อุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปที่เจ็จบ กรรมขันธกะที่หนึ่งจบในขันธกะนี้มีเจ็ดเรื่อง